จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22พุทธภาของพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่าน้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่าง จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทาบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวากาโตภะวตาธรรมโมคือเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้ว คำว่าชอบแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคานี้เป็นความจริงทั้งนั้นสามารถพิสูจน์ได้เพียงแต่ผู้ฟังตอนที่ฟังยังไม่สามารถเห็นตามได้เพราะเหมือนกับคนตาดีบอกคนตาบอดหรือคนที่ปิดตา ว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าคนตาที่ปิดนั้นเปิดตาเขาขึ้นมาเขาก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่คนตาดีมองเห็นพวกเราเป็นเหมือนคนที่ถูกปิดตาไว้ส่วนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนที่เอาสิ่งที่ปิดตาออกจากตาไปจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่ คนตาดีจะสามารถบอกได้พวกเราเลยต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเรายังไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้ด้วยตัวของเราเองเราก็ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพูดความจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริง และพระอาหารหันตสาวกผู้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพิสูจน์จนเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็มาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าเอาความจริงมาสอนคนที่ยังมองไม่เห็นความจริงให้เปิดหูเปิดตาขึ้นมาถ้าเปิดหูเปิดตาแล้ว ก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เราตอนนี้มองไม่เห็นกันนี่คือเรื่องของศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ให้ศรัทธาให้เชื่อแบบเฉยๆเชื่อแล้วไม่นำมาไปพิสูจน์เพราะถ้ายังไม่ได้ไปพิสูจน์ก็ยังจะไม่มีความแน่ใจไม่มีความมั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนนี้ มีจริงหรือไม่เช่นนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดมรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้พวกเรายังไม่สามารถรู้เห็นได้เพราะในขณะนี้ใจของพวกเราถูกความหลงคือโมหะถูกอวิชชาคือความไม่รู้ปิดบังตาของเราไว้ตาของเรานี้ไม่ใช่ตาของร่างกาย เรามีสองคนร่างกายนี้เป็นคนหนึ่งเราคือใจนี้เป็นอีกคนหนึ่งตอนนี้ใจตาบอดร่างกายตาดีแต่เห็นแต่สิ่งที่เห็นได้เฉพาะที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นเห็นคนเห็นสัตว์เห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นสีเขียวสีแดงสีดำสีฟ้านี่คือสิ่งที่ร่างกายสามารถมองเห็นได้ แต่ร่างกายไม่สามารถมองเห็นนรกไม่สามารถมองเห็นสวรรค์ไม่สามารถมองเห็นดวงวิญญาณที่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าเป็นผลบุญส่งไปก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ถ้าผลบุญผลบาปส่งไปก็จะต้องไปรับ โทษในอบายไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นผีเป็นสัตว์นรกนี่คือสิ่งต่างๆที่ตาในของพวกเรายังมองไม่เห็นน้องมองไม่เห็นว่าเราสามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องไปรับผลจากการกระทำบาปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราเห็นทางสู่พระนิพพานตอนนี้เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยต้องเชื่อคนที่เห็นแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านจะสอนให้เราเห็นแต่เราต้องปฏิบัติตามท่านจะสอนให้เราเอาสิ่งที่ปิดบังตาในของเรานี้ให้ออกไปให้หมดพอตาในเราออก สิ่งที่ปิดบังตาในออกไปหมดแล้วเราก็จะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นตัวของเราเองที่เป็นดวงวิญญาณที่จะท่องไปตามภมน้อยภพใหญ่หรือจะไปสู่พระนิพพา น, านขึ้นอยู่กับการปฏิบัติขึ้นอยู่กับการสอนใจใจของเรานี้เป็นเหมือนกับรถยนต์ เราเป็นเหมือนคนขับรถยนต์เราจะขับรถไปทางไหนก็ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทางทางที่เราไปอาจจะพาเราไปสู่ที่เราไม่อยากไปก็ได้แต่ถ้าเรามีคนบอกทางหรือมีแผนที่เราก็จะสามารถเลือกไปในทางที่เราอยากจะไปได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำกันก็คือเราต้องมา หาแผนที่มาหาคนนำทางคนที่จะนำทางคนที่จะเขียนแผนที่ให้กับเราเพื่อให้เราท่องไปในโลกทิพย์นี้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะท่านเป็นผู้ที่เปิดตาในของท่านแล้วตาที่ถูกปกปิดด้วยโมหะอวิชชาได้เปิดแล้วท่านเห็นโลกทิพย์แล้ว โรคทิพนี้มีทั้งนรกมีทั้งสวรรค์มีทั้งพาะนิพพานมีทั้งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เหมือนกับต้องมาดูแผนที่ต้องมาหาคนที่รู้จักทางเดินว่าเราอยากจะไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเราอยากจะไม่ไปอบายเราอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้อง ศึกษาจากพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอาหารหันตาสาวกศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ทดแทนกันได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราจากพวกเราไปแล้วเราก็เลยต้องอาศัยพระธรรมคาสอนที่ได้ถูกจารึกไว้ในพระคมภีที่เรียกว่าพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกนี้เป็นที่บรรจุคำสอนต่างๆซึ่งเป็นเหมือนแผนที่ที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในการเปิดตาในของเราเพื่อที่ให้เราได้เห็นทางสู่สวรรค์สู่นรกสู่พระนิพพานสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง แต่การเข้าหาพระพุทธธรรมประสงค์นี้ไม่ได้หาอย่างที่พวกเราเข้าหากันพวกเราเข้าหาพระพุทธ ร, รูปแล้วก็คิดว่าพระพุทธ ร, รูปเป็นพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเราก็กราบพระพุทธ ร, รูปแล้วก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ไม่ใช่วิธีเข้าหาพระพุทธธรรมประสงค์พระพุทธ ร, รูปนี้เป็นตัวแทนของเป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราต้องการจากพระพุทธเจ้าคือคำสอนเราต้องการให้พระพุทธเจ้าบอกแผนที่บอกทางให้เราว่าเราควรจะไปในทิศทางใดนี่คือการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เข้าหาพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี้มีไว้สำหรับการาบไหว้สักการะเท่านั้น ที่เรียกว่าอามิสบูชาเวลาเราเห็นพระพุทธรูปเราก็แสดงความคารพกราบว่า้ลำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วก็ลำลึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่งมอบไว้ให้กับพวกเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราก็คือแผนที่วิธีที่จะเปิดตาในของเรา ให้หายจากมืดบอดเพื่อเราจะได้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นทางไปสู่การสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องมีแก่มีเจ็บและมีตายมีการพัดพ่าจากสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบ ทัดภาคจากคนที่เรารักที่เราชอบไปทุกๆคนไม่มีใครยกเว้นดังนั้นการมาเกิดจึงเป็นทุกข์ถึงแม้ว่าจะมีความสุขบ้างแต่ก็เป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขนิดเดียวแต่จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากฉันใดความสุขที่เราได้ จากการมาเกิดก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ความทุกข์นี้มันใหญ่โตมาโหราเรานี่ทุกเกือบทุกวันเราทุกข์กับมันจนเรามันชินกับมันจนไม่รู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์กันเต้นขึ้นมาก็ทุกข์แล้วต้องไปเข้าห้องน้ำเพื่อบรรเทาทุกข์แล้วเต้นขึ้นมาก็หิวแล้วอันนี้ก็ทุกข์แล้วเต่นขึ้นมาก็ ร่นางกายก็ไม่สะอาดไม่สบายต้องอาบน้ำอาบท่าแล้วต้องหายใจตลอดเวลาเวลาใดไม่ได้หายใจเวลานั้นก็จะทุกข์จะตายแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับการไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าเรามีทางเลือกระหว่างไม่ต้องทำมาหากินกับอยู่เฉยๆมีกินมีใช้นี่จะเอาทางไหนกัน อยู่มีกินมีใช้น้อยคนที่เกิดมาแล้วจะอยู่อย่างสบายไม่ต้องทำมาหากินส่วนใหญ่แล้วต้องไปดิ้นนอทำมาหากินกันไปทำงานกันแล้วก็ไปทุกข์กับงานที่ทำกันนี่คือความทุกข์ต่างๆที่เราได้มาจากการที่มาเกิดความสุขที่เราได้ก็เพียงประเดียวประเดาาเวลาได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ ได้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำก็มีความสุขแต่ความสุขแบบนี้ก็เป็นความสุขแบบยาเสพติดอีกเพราะว่าเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ทำก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกคนที่ติดยาเสพติดนี้เขาทุกข์มากกว่าสุขเขาสุขตอนที่เขาได้เสพยาแต่พอตอนที่เขาอยากจะเสพยาแล้วไม่มียาให้เขาเสพตอนนั้นเขาจะทุกข์มาก ชันใดความสุขของพวกเราที่ได้จากการมาเกิดมาทำอะไรตามความอยากนี้มันก็เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่พวกเราจะต้องเจอมันอยู่เรื่อยการมาเกิดจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเราควรที่จะทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าอย่ามาเกิดดีกว่าและการที่จะไม่มาเกิดได้ เราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำํำพระองค์ทรงสอนให้เราทําบุญละบาปแล้วก็ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดหรือว่าถ้าเกิดก็เกิดอยู่ในภพที่ดีไม่ต้องไปเกิดในอบายจนกว่าเราจะสามารถ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้และเราจะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปดังนั้นสิ่งที่เราควรจะกระทํานขั้นที่หนึ่งก็คือเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อศึกษาหาว่าวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย วิธีที่จะทําทให้เราไปสวรรค์วิธีที่ทําให้เราไม่ต้องไปอบายนั้นทําอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็นําเอาไปปฏิบัตินี่คือขั้นตอนที่ที่หนึ่งการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ให้หาพระพุทธรูปมาห้อยคอการมีพระพุทธรูปห้อยคอนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมีเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นประโยชน์ ก็คือถ้าเราละเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณละลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเจตนาของการมีพระพุทธรูปไว้ที่บ้านไว้ที่วัดหรือไว้สวมค่อยคอก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจให้เรานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อทําแล้วจะได้เกิดผลที่ดีกับเราเกิดความสุขเกิดความเจริญ น, นี่คือเรื่องของพระพุทธรูปเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันภัยต่างๆต่อให้มีพระพุทธรูปราคาแทนกันขนาดไหนก็ห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายไม่ได้ห้ามความทุกข์ใจไม่ได้เพราะว่า พระพุทธรูปนี้เป็นเพียงวัตถุเป็นของที่พวกเราผลิตกันขึ้นมาเองคนผลิตนี้บางทีเป็นคนกินเหล้าเมายาเสียด้วยซ้ำไปคนที่ปั้นพระพุทธรูปนี้บางทีเขากับเป็นคนที่ทำอะไรตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธรูปที่เขาปั้นนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรต่อให้เอาพระมาร้อยลูกพันลูก มานั่งมาเสกมาเป่ายังไงมันก็ยังเป็นวัตถุยังเป็นโลหะยังเป็นดินเป็นอะไรอยู่เหมือนเดิมมันไม่สามารถกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงไหลกับวัตถุมงคลต่างๆโดยผิดจุดประสงค์เราเข้าใจผิดกันว่าถ้าเรามีวัตถุมงคลแล้วชีวิตของเราจะร่ำรวย เราจะเป็นใหญ่เป็นโตจะเรียนเก่งไม่มีทางถ้าไม่เรียนหนังสือไม่มีวันเก่งได้ถ้าไม่ทํามาหากินเก็บเงินเ ก, เก็บทองไม่มีวันรวยได้ถ้าไม่มีการทําเหตุต่างๆที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาการมีวัตถุมงคล น, นี้ไม่สามารถช่วยเราได้เลยดังนั้นขอให้เรา ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวัตถุบางคนนี้มีไว้เพื่อให้เราล้ำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราล้ำลึกถึงชีวประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านดำเนินชีวิตของท่านอย่างไรให้ล้ำลึกถึงชีวประวัติของพระอาหารหันตาสาวกว่าท่านเดินทาง ใช้ชีวิตของท่านอย่างไรถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนท่านเราก็ต้องทำเหมือนท่านเพราะว่าการกระทำนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้ผลที่เราปรารถนาการถ้าเราต้องการไปพันนิพพานต้องการหลุดพ้นจากการเวนเวาตายเกิดเราก็ต้องทำเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีสมบัติมากน้อยเพียงใด ก็ทรงสละราชสมบัติไปหมดแล้วก็ออกบวชไปอยู่แบบนักบวชไปปฏิบัติทมไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปพิจารณาสภาว่าธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอสุภะไม่สวยไม่งาม นี่คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราทำให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายทำให้พระองค์ได้ไปอยู่ที่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่าบรมสุขปรมังสุขขังนี่คือการดาเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราอยากจะ มีความสุขเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งกางเรเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าพระอาลันตสสาวกทั้งหลายท่านก็เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เป็นพระอาลันตสาวกได้ไปถึงพระนิพพานท่านมีสมบัติเข้าของเงินทองท่านก็สละหมด ท่านเคยทำบาปท่านก็เลิกทำบาปท่านไม่มีดวงตาในตาในของท่านปิดท่านก็ภาวนาจนกระทั่งตาในเปิดขึ้นมาทำให้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทางไปสู่พระนิพพานท่านก็เลยสามารถเดินทางไปถึงพระนิพพานได้พวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราอยากจะ เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอรหันตสาวกพวกเราก็สามารถเป็นได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกก็ดีก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสาวกท่านก็เป็นคนที่มีกิเลสตัณหาเหมือนพวกเราแต่ท่านมีความพยายามท่านพยายามศึกษาหาทางที่จะพาให้ท่านได้ หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เป็นพระองค์แรกที่ค้นพบทางที่พาไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพอพระพุทธเจ้ารู้แล้วก็เอามาสอนพวกเราพอพวกเราได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติตามพวกเราก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกัน เป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาพวกเราพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกนี้เป็นปุตุชนกันมาก่อนเป็นผู้ที่ตาบอดกันมาก่อนแต่มีความปรารถนามีความเชื่อว่ามีทางที่จะไปสู่การหยุดพ้นได้พอเราหาทางไม่เจอด้วยตนเองเราก็ต้องรอคนที่เขาพบทางแล้วซึ่งนานๆจะมีสักคนหนึ่ง ที่จะสามารถพบทางไปสู่พระนิพพานได้ด้วยตนเองคนคนนี้เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าพอมีคนนี้ปรากฏขึ้นมาในโลกในพบทางไปสู่พระนิพพานแล้วพอเขามาบอกพวกเราพวกเราก็สามารถไปพระนิพพานกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและไปได้กันเป็นจํานวนมาก ก่อนที่มีพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครไปถึงพระนิพพานได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปทางสู่พระนิพพานแล้วแล้วเอามาเผยแพ่สั่งสอนเพียงในละยะเวลาเพียงเจ็เดือนนี้มีพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็หนึ่อรูปขึ้นมาภายในเจ็เดือนคือวันที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนทางไปสู่นิพพาน คือวันอาสาฬหาบูชาซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนแปและต่อมาอีกเจ็เดือนคือวันเพ็ญเดือนสามก็ปรากฏมีพระอาหลานตสาวกผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าและได้บรรลุเป็นพระอาหลานขึ้นมามาจากสารทิตต่างๆมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่แม้ดั้นดั้นหมายกันมาก่อนนี่คือความมหาัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า ของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถสร้างพระอาหารหันต์จากปุุชนธรรมดาอย่างพวกเราให้เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้พวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์เป็นพระอาหารหันต์ได้มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากกางทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราเชื่อคาสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน และได้ปฏิบัติมาสิ่งที่ท่านสอนก็มีสามขั้นตอนท่านเองขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้เราทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมทำความดีต่างๆเช่นทำบุญทำทานสร้างความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้เกิดขึ้นกับใจของเราให้มีความกตัญญูกะตะเวทีให้มีความเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่ ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เราศึกษาพราะธรรมคำสอนกันนี่เรียกว่ากุศลหรือบุญที่เราควรจะทำให้ถึงพร้อมเมื่อเราทำแล้วเราก็จะทำขั้นที่สองต่อไปก็คือให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงคือเราจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายยาเมา เพราะถ้าเราทำบาปแล้วเราจะต้องไปใช้กังในอบายที่ไม่มีใครอยากจะไปอบายนี่ก็เปรียบเหมือนกับคุกตารางถ้าเราทำผิดกฎหมายเราก็ต้องถูกจับไปขังคุกขังตารางที่เราไม่อยากจะไปกันแต่ทำไมเขาถึงต้องมีคุกมีตารางก็เพราะว่ามีคนไม่เคารพกฎหมายไม่เชื่อว่าทำผิดกฎหมายแล้วจะถูกจับ ขังคุกขังตารางชั้นใดอบายก็เหมือนกันอบายที่มีก็เพราะว่ามีคนไม่เชื่อบาปกันไม่เชื่อว่าทำบาปแล้วจะต้องไปใช่บาปในอบายกันเนี่ยพวกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นพวกที่เขาทาบาปกันมาทั้งนั้ น, นเราเห็นเพียงพวกเดียวเท่านั้นเห็นผลที่เกิดจากการทำบาปคือพวกสัตว์เดรัจฉานเพราะเขาต้องมีร่างกายเหมือนของเรา แต่พวกที่เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกนี่เรามองไม่เห็นเพราะเขาไม่มีร่างกายแต่เขามีดวงวิญญาณที่ถูกแผดเผาด้วยความทุกข์ความร้อนความทรมานใจถ้าเราอยากจะรู้ว่านรกเป็นอย่างไรขอให้เราคิดถึงวันที่เรามีความทุกข์มากๆวันนั้นนใจของเราหรือดวงวิญญาณของเรานี่เป็นเหมือนนรกเป็นเหมือนอาบาย เพียงแต่ว่านรกของเรานี้มันชั่วคราวพอเราไปทําอะไรขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนรกนั้นก็หายไปเช่นเราไม่สบายใจเรามาวัดมาทําบุญกันก็เหมือนกับเรามาเอาไฟเอาน้ํามาดับไฟนรกบุญนี้เป็นเหมือนดับไฟเหมือนน้ําดับไฟถ้าเราไม่สบายใจเราทําบุญกันความไม่สบายใจก็จะหายไปความสบายใจก็จะกลับคืนมา ก็เราเอาบุญคือน้ำนี่มาดับไฟนรกของเราดังนั้นเราต้องพยายามทาบุญให้มากมาเวลาใจเราทุกข์เราร้อนนี่ต้องรีบทำบุญกันเพื่อที่เราจะได้ดับไฟนรกเพราะไม่เช่นนั้นถ้ามันร้อนอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่เราตายไปนี่มันจะพาให้เราไปสู่นรกไม่ได้พาให้เราไปสู่สวรรค์ เราจะไปสวรรค์ได้ก็ต่อเมื่อใจเราเย็นสบายเหมือนตอนนี้ตอนนี้ใจเรากาลังอยู่สวรรค์กันเพราะใจเรามีความสุขมีความสบายใจดังนั้นขอให้เราพยายามอย่าทำบาป ก, กันแล้วถ้าเราอยากจะหยุดการกลับมาเกิดเราก็ต้องชำระใจให้สะอาดใจของเรานี่ถูกความไม่สะอาดเป็นตัวพาไป ตัวที่พาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เรียกว่ากิเลสปัญหาและเราจะชำระได้เราก็ต้องภาวนาคือสมถภ า, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็จะทำให้ใจสงบพอใจสงบนี้ใจก็จะสะอาดจะใสขึ้นมาเหมือนน้ำที่เราใช้าสารส้มแข็ง พอเราแกว่งสารส้มไปสักพักหนึ่งของสกปรกที่อยู่ในน้ำก็จะรวมตัวกันแล้วก็ตกตะกอนลงไปเวลาเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธนี้ใจเราจะสงบแล้วกิเลสตัณหามันก็จะตกตะกอนลงไปอยู่อยู่ที่ข้างล่างของใจใจก็จะใสเหมือนน้ำสะอาดแต่ยังไม่ปราศจากสิ่งสกปรก พรเรายังไม่ได้แยกน้ําออกจากตะกอนท่านต่อไปหลังจากที่เราทําน้ําให้ใสแล้วเราก็ต้องเอาน้ําใสไปใส่อีกตุ่มหนึ่งแล้วจะได้ทิ้งตะกอนเอาไปทิ้งได้ฉันใดตะกอนคือความโลภความโกรธความหลงพอเราทําให้มันตกตะกอนแล้วท่านต่อไปเราก็ต้องใช้วิปัสสนาวิปัสสนามาสอนใจให้เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลง ว่าเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ทำให้เราวุ่นวายใจทำให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายเราต้องไม่ทำตามความโลภความโกรธความหลงเราจะไม่ทำตามความโลภความโกรธความหลงได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เราโลภอยากได้นี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เป็นสุขขังนิจจังสุขขังอัตตามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะไม่โลภพอเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธเพราะเวลาที่เราโกรธก็เพราะว่าเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธความความโกรธเกิดจากความโลภความโลภเกิดจากความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่โลภจะไม่โกรธ ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นเหมือนน้ําที่ได้แยกออกจากตะกอนเมื่อไม่มีตะกอนในน้ําแล้วต่อให้เราแกว่งเรากวนตักน้ําเท่าไหร่น้ําก็จะไม่มีวันขุนฉันใดถ้าใจเราไม่มีกิเลสตัณหาแนละ้วต่อให้เราคิดอย่างไรพูดอะไรทําอะไรอย่างไรใจของเราก็จะไม่มีวันทุกจะไม่มีวันโลภไม่มีวันโกรธไม่มีวันหลง ใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการเข้ามาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างคุณศนมาละการกระทําบาสมาทำล้างใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเราจะได้ไปอยู่ในพระนิพพานที่มีความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่ไม่มีความทุกข์ ที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทำมาแล้วแล้วทรงนำมาเผยแผร่สั่งสอนผู้ที่ทำตามได้ก็ได้กลายเป็นพระอาลันตสาวกขึ้นมาพวกเราก็สามารถที่จะทำและนับผลจากการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำได้เพราะว่าถ้าทำไม่ได้พระอาลันตสาวกทั้งหลายก็จะไม่มีในโลกนี้ เพราะว่าพออาระอรหันตสาวกก็เป็นเหมือนพวกเราก่อนที่ท่านจะเป็นอรหันตสาวกท่านก็เป็นคนที่มีกิเลสตัณหาเหมือนกับพวกเราแต่ท่านเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านก็เลยได้เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาพวกเราก็จะได้เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อและปฏิบัติตามดังนั้นขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับความศรัท ธ, ธาความเชื่อและให้กับการปฏิบัติตามคำสอนแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เป็นพระอรหันตสารกเช่นเดียวกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพะระศรีรัตนกรรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ท่านแต่ความสุขแล้วความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ